เป็นพี่ชัยสมบันบ้านช่วงนี้ก็มีโมหะบ้างหนาบ้างบางบ้างแล้วก็เห็นว่าทำเหตุเหมือนเดิมแต่ว่าผลของมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้ ừ ừ ừ ừ ừ ก็รู้สึกว่าเป็นกลางมากขึ้นนะครับดีแล้วแล้วก็จิตมันยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ฮะดีดูได้ถูกแหละอ่ะเป็นไง มีโมหะแล้วก็ซึมนิดหน่อยคะอ่ะอาจารย์ดีแม้วอพี่ชายดีแล้วนะพี่ชาใจมันค่อยตื่นแล้วนะมันเริ่มเห็นสภาวะเองสติเกิดเองดีแล้วทั้งสองคนนะใช้ได้และมันไม่จําเป็นต้องดีมันดีก็ได้มันร้ายก็ได้นะอย่างจิตจะมีโมหะเราห้ามมันไม่ได้แต่พอมีโมหะล้วใจเป็นกลางใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนก็ใช้ได้ล้ว สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจจะเป็นกลางสุขทุกข์ดีชั่วก็เป็นกลางเบอร์สามสิบส <34. S 2> ี่ทำไม่ค่อยได้ครับือทำไม่ค่อยได้ครับทำอะไรล่ะพยายามจะไปทำจะไปทำาอนเลไม่ได้หรอก <laughs> ถูกต้องแล้วถ้าทำาอะไรก็ทำไม่ได้หรอกทำผิดถ้าไม่ทำนะได้นะร่างกายจิตใจนะ่ะเขาทางานของเขาทั้งวัน เราไม่ต้องไปทําแทนเขาเราตามรู้ตามดูเห็นกายเห็นใจเขาทางานแค่นั้นพอละถึงว่าหนึ่งปัญญามันแจ้งมันไม่ใช่เรามันทํางานได้เองต่ อ, อไปถึงไหนช่วงนี้สติไม่ค่อยเกิดค่ะจิตมีโมหะใจอยู่บ้านจิตเหมือนตอนนี้ไหมยอยู่ข้างนอกวัดจิตเหมือนตอนนี้ไหมถ้าออตอนอยู่กับคนเยอะๆจะไม่ไม่ได้เลยค่ะ จะไม่อันนี้ยังตั้งมั่นขึ้นมานิดหนึ่งอเหรอนี่ขนาดตั้งนิดเดียวนะพี่หลวงพ่อถามว่าตอนอยู่ข้างนอกจิตเหมือนตอนนี้ไหมพ่อกลัวว่าถ้าจิตตั้งเหมือนตอนนี้จะแย่เลยนะให้จิตมันเป็นธรรมดานะเราเรียนรู้ธรรมดาของกายธรรมดาของจิตไม่ใช่เรียนรู้การฝึกจิตใจให้ต่างจากธรรมดา ในตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วใจมันสงสัยแล้วมันไปคิดรู้สึกไหมให้รู้อย่างนี้รู้ไปได้แต่อย่าจงใจยังเจอด้วยความจงใจบังคับตัวเองรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองเ อ, อ, อยู่บ้านแล้วบังคับอย่างนี้ไหมล่ะอะเลยรู้สึกหนักหนักแล้วก็เลยยังทำไม่ค่อยได้อ่ะเออเลิกทำถึงจะได้ที่หนักขึ้นมาเพราะไปทำมันเข้าตาหักถ้ารู้กายรู้ใจอย่าที่เขาเป็นจะไม่หนักนะ แต่ถ้ารู้สึกว่าอยากปฏิบัติก็จ้องเอาจ้องเอาเนี่ยหนักเลยมันต้องเลิกจ้องทําตัวสบายๆถือศีลห้าไว้ที่เหลือใช้ชีวิตธรรมดานั่นแหละมีกิจวัตรประจำวันอะไรก็ทําไปทําไปแล้วก็รู้กายรู้ใจไปอย่างเนี้ยใจแอบไปลอยไปละรู้สึกไหมไหลแแบบอย่างเงี้ยให้คอยรู้ไปอย่างเนี้ยอ้าวนิพนินพิทาเนี่ยคนเนี้ยที่หลวงพ่อเคยเล่า ทำกรรมฐานเขยหัวตัวเองอ่ะเขียหัวปักปักปัถามทําอะไรทํากรรมฐานก็เห็นจิตบังคับไม่ได้ครับอืมดีแล้วนิบย์อย่างเดียวนิบใช้ได้แล้วเอาเริ่มบังคับแล้วเอาบังคับไม่ได้แต่ไปบังคับแล้วดีแล้วนิบใช้ได้ส่งไปส่งไปไหนก็ได้ไปหลวงพ่อไม่ต้องไล่ตามแถวก็ได้แล้วแต่เวรแต่กรรมใครเอาก็เอาไล่ตามแถวไม่มีวันหมดอ่ะ พ่อขาหมอนฟุ้งค่ะวันนี้ฟุ้งสั้นเทียบกับเมื่อวานเป็นยังไงน่าจะดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานตอบถูกใช้ได้ถ้าเทียบแล้วแย่กว่าเมื่อวานตอบถูกอีกใช้ได้อีกนะไ <c oughs> ม่นม้จะดีหรือมันจะเร็วไม่สําคัญหรอก <c oughs> ขึ้นมานิดหนึ่งแต่มันฟุง้งคิดนู่นคิดนี่แต่ก็ดีกว่าไปแช่ใช่ไหมเขาบังคับไม่ได้เขาสอนธรรมะเราอยู่นะแต่กับไม่เอาธรรมะเราอยากเอาอาธรรมอยากบังคับให้ได้ <c oughs> บ<า>ง<ม>ังคับไม่ได้ไม่ใช่ธรรมะอยากมีความสุขขนม่เอออยากมีความสุขเห็น ไ, ไหมภาวนาถ้าเอาความสุขนะก็ทุกข์เรื่อยไปแล้วภาวนาเอาความจริงเนะีย่ยจะพ้นทุกข์ความจริงของกายของใจอย่างคนไหนยอมรับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ได้สบายใจคนไหนอยากได้สภาพอย่างอื่นนะยอมรับสภาพปัจจุบันไม่ได้นะไม่สบายใจอย่างคนนึงเป็นมะเร็งเขารู้สึกเขาอยู่กับมะเร็งได้อย่างสบายใจใจิตใจไม่ดินน้นรน อย่างนี้เขาสบายนะเขาก็ป่วยเฉพาะทางร่างกายบางคนเป็นมะเร็งนะเลยป่วยทางใจเคยมีพระท่านเล่าให้ฟังท่านเป็นเจ้าคณะภาคอยู่ทางอีสานบอกญาติท่านอ่ะมาที่วัดท่านหลายคนนั่งรถปิ๊กอัพมากันญาติอยู่อยู่ทางอีสานนั่นแหละถามมาทำอะไรจะมาตรวจร่างกายตรวจเฉยๆและตรวจประจำปีนะเสร็จแล้ว เขาก็ออกไปเที่ยวกันไปไหว้ยา่าโมไปน่นไปนี่นะมีความสุขนะหน้าตาสดใสขํากับมา น, นอนวัดเช้าไปโรงพยาบาลพอบ่ายๆนะหิ้วปีกมาเลยคนหนึ่งถูกหิ้วมานะหมอไปเจอก้อนเนื้อสงสัยจะเป็นมะเร็งสงสัยนะเนีย่ยหิ้วปีกเดินไม่ได้ละแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปรอฟังผลนะแต่กลับบ้านไม่ได้ฟังผลนะ่าตายก่อนตกใจตาย คนไหนนะไม่สบายแล้วอยู่กับมันยังมีความสุขมีหมอคมสันอยู่คนหมอคมสันนั่นเป็นมะเร็งนะเ น, นเจ็บมากด้วยเป็นชนิดที่เจ็บเจ็บตลอดทีแรกใจแกไม่ยอมรับรแล้วแกมีความทุกข์นี่แกอยู่กับมันด้วยใจเป็นกลางมีความสุขนะอุตส่าห์มาภาวนาที่วัดภาวนาดีวันนึงตกกระไดลงมาไม่ค่อยแข็งแรงไงตกบันไดแต่ว่าขยันภาวนา นอยู่กับมันอยู่กับสภาวะตามที่มันเป็นรู้มันไปไม่รักมันไม่เกลียดมันมีความสุขคุณวุฒิหลวพ่อถามวนผิดไปแล้วค่ะหนึ่งเดือนที่ไม่ได้มาเนี่ยไปวิ่งหาความสุขเออนะวิ่งหาความสุขไม่มีรอกแต่ไม่ทราบจะเข็ดหรือเปล่าความสุขในโลกเป็นภาพลวงตาวิ่งหาทั้งชาติไม่เจอหรอกยังไม่เข็ดดอกบอกให้เลย เมื่อถามแบบจะเข็ดไม่เข็ดเลยตอมเลยไม่เข็ดไม่เข็ดยังทุกข์ไม่พ อ, อยังทุกข์ไม่พอวันนี้โมหัน้อยกว่าเมื่อวานใช่ไห น, น้อยกว่าเมื่อวานซึมน้อยกว่าเมื่อวานอ่ดีตับถุกหลวงพ่อประชาเมื่อชาานี้ตื่นมาก็ดูจิตเลยก็เห็นเห็นมันวิ่งเข้าไปในรูรูหนึงครับนั่นแหละนั่นแหละให้รู้ทันนะตอนนี้เข้ารูนะเรียบร้อยแล้วใช่พอพอมาที่หลวงพ่อนี่มันเข้ารูนึงอี เออนัมันเข้าไปรูเดิมแลวะ่ว่าตอนอยู่ตอนเช้านี่ก็ดูไม่ให้มันเข้าไปมันก็จะสดใสกว่านี้ใช่ถ้ารู้ทันนะมันก็ไม่เข้าไปรู้ดิเนี่ยพูดถึงกรรมฐานนะแต่ละคนจะพูดสภาวะแปลกๆมีคำว่ารูด้วยเหมือนหลุมดำเห็นเลยมันวิ่งมาทางอกทางด้านขวามือเนี่ยมันวิ่งลงบางคนบอกแม่มันเอียงซ้ายหน่อยๆมันบอกว่าเอียงซ้ายนะแต่ต่าลงไปสาสองศา เข้าช่องนั้นเข้าช่องนี้ยังกําลังฟึ่งเนะี่ยให้รู้ไปนะคนที่ไม่เจอช่องทางเหล่านี้ไม่ต้องตกใจนะทางใครทางมันไม่จําเป็นต้องเจอเลยเบอร์เจสองเป็นยังไ ง, ย, งยังไม่เป็นไงครับแต่รู้สึกว่าใจสงบเออสงบรู้ว่าสง บ, บดีแล้วลุงพ่อถามเพราะว่าเห็นภาวานาเป็นอยู่ส่งตอบไปหนุ่มนี่นะไม่เอานะ เอไหม อ, อ๋อใช้วิธีอาแล้สี่คูณร้อยแล้วฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งแต่ตอนเปิดส่วนสันติธรรมนะคะ<ม>ก็ฟังซ้ำไปซ้ำมาอย่างเมื่อเช้านี้ที่นั่งรถมาพอฟังซีดีหลวงพ่อสักพักพอจิตสงบมันจะรู้สึกว่ามันไหลลงมาอยู่ที่กลางอกพอรู้สึกว่าแน่น ป, ป๊บก็ต้องพยายามทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันหายอาจจะหายแน่นหรืออาจจะไม่หายแน่นก็แล้วแต่แตใ<ช>่รืออาจจะแน่นมากกว่าเก่าก็ได้ใช่ะนะคะ พอไปทำมันเข้ามนะันอาจจะแน่นกว่าเก่าก็กได้ก็เลยคือแบบพยายามคุยพยายามทำอย่างอื่น<ม>ก็จะได้แบบให้ลืมมันเกิดจากอะไรทราบไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะเกิดจาก ค, ความจงใจปฏิบัติกว่าหลวงพ่อจะรู้ตัวนี้นะปล้ากับมันสามเดือนเลว่าจะรู้ว่าโอ้เพราะว่าจงใจนั่นแหละเลยแน่นขึ้นมาเป็นก้อนเลยแต่ก่อนนะครูบาอาจารย์ไม่สอนละเอียดสอนอย่างเดียวให้ไปดูจิตเอาดูไปดูไปเป็นก้อนเลยแน่นหาทางทำํำลาย แก่ไปอย่างงอนแก้ไปอย่างนี้ใช้เวลาสามเดือนนะรู้สึกค่อยเบาแล้วไปหาหลวงปู่หลวงปู่โดนไปปลอกท่านหลวงปู่ผมเห็นจิตแล้วมันทําอย่างนี้นี่นะเราทําอย่างนี้เราหายหลวงปูบ่บอกนั่นมันอาการของจิตไปดูใหม่ไม่มีแจกแจงให้ฟังนะกว่าจะหลวงพ่อจะรู้ว่าอ๋อไอเนี่ยเราปรุงขึ้นเองเราปรุงขึ้นมาจากความจงใจปฏิบัติ แล้วที่ทําอยู่อย่างนี้ใช้ได้ไหมคะหลวงพ่อก็ใช้ได้ดีกว่าไม่ทําต้องอดทนนะต้องอดทนเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นที่หลวงพ่อถึงบอกหลวงพ่อก็เป็นอย่างคุณนั่นแหละหลวงพ่อเป็นอยู่ทั้ง3เดือนเนี่ยก้อนนี้แน่นนะบางทีก้อนเล็กก้อนใหญ่ต้องสู้นะวิธีสู้สู้ด้วยสติปัญญานี่บอกบอกใบ้นะเราจะได้สบายกว่าหลวงพ่อหลพ่อสู้แบบวัวแบบควายแต่ก่อนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงเพ่งเงาเพ่งเงานะ สู้ลำบากมากเลยพวกเราสบายกว่าหลวงพ่อเยอะเลยเนี่ยเมันอัดอย่างเนี้ยนึกออกไหมมันเกิดจากจงใจอยากปฏิบัติปุ๊ก็อัดปั๊บเลยแล้วที่คุณบอกเผลอๆไปแล้วหายเพราะว่าไม่ได้จงใจปฏิบัติงั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วเป็นนะจงใจปฏิบัติแล้วเป็นเบอร์ห้าห้าคิดมากนะอยากคิดเยอะเบอร์ห้าสห้าของคุณแหละ ยังไม่รู้อีกเบอร์อะไรเด <c oughs> ดีแล้วอย่างเนี้ยรู้สึกไปอย่างเนี้ยดีแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วแอบไปคิดละเอออัด อ, อเพราะว่าแบบเดียวกันนะจงใจปฏิบัติกลัวหลวงพ่อบางคนเห็นหน้าหลวงพ่อก็อัดเลยนะ <c oughs> อัดแน่นแน่นมีบางคนไม่เจียมตัวนะไปถ่ายรูปหลวงพ่อใหญ่ๆติดไว้รอบบ้านเลยห <c oughs> ัน ท, งงทั้งนี้พังงะทนี้พังงะนะ <c oughs> เสร็จแล้วโลกประสาทกินมาถามหลวงพ่อจะเอารูปมาถวายได้ไหมหลวงพ่อไม่เอาไม่อยากเห็นหน้านะเบื่อบอกให้เอาไปเผาเผ า, เาจริงเนี่ยเนี่ยรู้สึกไหมไม่ธรรมดารู้สึกไหมเบื่อห้าหมันจงใจปฏิบัติยังจงใจบังคับตัวเองบางทีอยู่เฉยๆแล้วมันเหมือนกับมันมีพลังอั ด, อ ด, อดๆอย่างนี้ค่ะให้รู้เฉยเฉย รู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันอย่าไปรักมันอย่าไปช่วยมันอัดให้รู้ไปเรื่อยๆมีพลังมาอัดเราเราก็รู้ไปเป็นสิ่งที่มันกระทบหรือเปล่าคะมีทั้งข้างในข้างนอกข้างนอกมากระทบก็ได้ข้างในปลุงขึ้นก็ได้บางทีเหมือนเหมือนเราอยู่เหมือนดวงที่มันอยู่แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วมันยังโผล่ไม่ได้เออมันยังโผล่ไม่ออกดูไปงั้นแหละไม่ต้องให้โผล่ก็ได้ หลวงพ่อก็เคยนะดูดูแบบฟลุปขึ้นมาเหมือนพระาทิตแหวกเมฆออกมานะแหวกแล้วเหลืออีกหน่อยหนึ่งแหมไม่หลุดไปบอกหลวงปูด่ดูนึกว่าท่านจะชมว่าเกือบบรรลุแล้ว <c oughs> บอกนิมิตคําเดียวหงายท้องเลยนะอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจให้สนใจที่ใจเราใจเราสงสัยมันว่าคืออะไรรู้ว่าสงสัยใจเราดีใจว่ามันใกล้จะโผล่แล้วรู้ว่าดีใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไง มันเหมือนเราอยู่ในในที่ที่ถูกอยู่ในที่จํากัดอยู่ในที่ถูกขังค่ะ<า>อย่างนั้นแหละเพราะจริงๆจิตใจของเราไม่มีอิสรภาพถูกขังถูกห่อหุ้มมาไว้นะเหมือนจะปลุกปลุกโผล่ๆนะไม่โผล่ง่ายโผล่ขึ้นมาครั้งแรกเขาเรียกว่าพระโสดาบันแต่แหวกสิ่งห่อผุ้มนะไม่ใช่นิมิตนะถ้านิมิตไม่ใช่โผล่ขึ้นมาก็ไม่ใช่พระโสดาบันนะส่งไปข้างหลังไปงงไปก่อน อย่าคิดเยอะให้รู้เอาใจเราไปคิดให้รู้ว่าไปคิดเลยอเงี้ยไม่ต้องไปหาคำตอบหรอกให้รู้ทันใจใจแอบไปคิดรู้ว่าใจไปคิดเบอร์สิบห้าทำอะไรเบอร์สิบห้าสารภาพมาเออตอบถูกใช่ได้ได้หนึ่งคะแนนใช่ mm. หลวงพ่อเผลอยังไม่ว่าเลยนะ mm. เผลอเรารู้ว่าเผลอได้คะแนน mm. เผลอแล้วไม่รู้ว่าเผลอไม่ได้คะแนนนกชนก จะถามว่าที่ทําอยู่ตอนนี้ยังมีการบังคับยังบั ง, <มา S 1> งคับ <ไป S 1> อยู่นะยังทําอยู่ยังทําอยู่ยังอื่นอัดอยู่แต่ว่ามันน้อยกว่าแต่ก่อนน้อยกว่าแต่ก่อนแต่ยังบังคับอยู่ววิธีก็คือทําเรื่อยไปอยู่ ท, ที่รู้ทันไม่ใช่ทําเรื่อยไปนะอยู่ที่การรู้ทันมันว่าเราแอบไปปรุงแต่งช่วงไหนเขางั้นช่วงเวลาที่จะดูง่ายที่สุดว่าแอบไปปรุงแต่งการปฏิบัติก็คือช่วงตื่นนอนตอนเราตื่นมาใหม่ๆเรายังไม่ทันปรุงแต่ง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 ให้สังเกตนะใจเราไปติดไปข้องอะไรให้คอยรู้ไปด้วยรู้ทันนั้นบางคนติดการปฏิบัตินะการปฏิบัติหลวงพ่อมนตรีเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านภาวนาตอนนั้นท่านนึกว่าท่านจะตายละวไ่สบายมากอยู่ในถ้าคนเดียวในป่าอดข้าวหลายวันด้วยเสร็จแล้วท่านก็ดูใจของท่านว่าพร้อมจะตายไหมไอ้นี่ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึ ด, ไ ม, ยดไม่ยึดอะไรสักอย่างนะ สบายใจสบายใจแต่เสร็จแล้วสังเกตอีกนะใจมันยังมีอะไรติดข้องอยู่สังเกตไปสังเกตนาอ๋อติดความไม่เอาอะไรติดความไม่ยึดอะไรดีใจว่ายังไม่ยึดอะไรขนาดไม่ยึดอะไรยังติดได้เลยนะติดความไม่ยึดอะไรแล้วพอหเห็นนั้นร็ขาดสว่างขึ้นมนะใจสว่างโรคภัยไข้เจ็บหายยันเราอยู่ที่เรารู้ทันไหมถ้าเราไม่รู้ทันสภาวะเราก็ติด เรารู้ทันสภาวะแล้วเราก็ไม่ติดนี่สภาวะมีเยอะค่อยๆสังเกตไปแต่ว่าไม่ใช่ไปสังเกตตัวสภาวะนะสังเกตใจเราเช่นสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยสภาวะนี้เกิดขึ้นดีใจรู้ว่าดีใจใ ห, ให้ดูที่ใจไม่ต้องไปนคนกวาที่ตัวสภาวะพวกนั้นอันนั้นเป็นสิ่งหลอกลวงให้จิตหลง ให้เรารู้ทันก็ามาถึงจิตถึงใจเลยใจมันจะปรุงแต่งอะไรรู้ทันมันด้วยใจจะเกิดความอยากขึ้นมารู้ทันมันใจจะดิ้นรนปรุงแต่งรู้ทันมันใจเข้าไปยึดถืออะไรรู้ทันมันรู้ทันใจอ่ะคุณกบหน่มที่นั่งข้างๆไม่ค่อยสบายใจแล้วเอาให้ก่อนส่งให้เขาก่อนอนานเดี๋ยวกลุ้มใจมากอ่ะครับขอบคุณครับก็ช่วงนี้มันค่อนข้างขึ้นลงเยอะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ครับแต่ว่าบางวันก็จะตามเห็นความคิดได้เร็วบางวันก็จะช้ามากครับเป็นอย่างนี้ตามไปเรื่อยๆดีและนะครับสบายใจได้ละจบไปค่ะก็ตอนหลวงพ่อไล่อะค่ะก็มันก็จะความรู้สึกมันจะเปลี่ยนเยอะมากอะค่ะตอนที่อยู่ที่คุณคนนี้จะหนักมากค่ะพอไล่ไปที่คุณข้างหน้าค่ะก็จะรู้สึกเบาพอมาอยู่ที่คุณคนนี้ค่ะก็จะตื่นเต้น อส่งไปคนนี้ก็จะเบาขึ้นก็เหมือนหลวงพ่อต้องมีลูกเล่นเห็นไหมวันนี้นเอาวันนี้ก่อนเราส่งไปเราสบายใจแล้วกลับมาวันนี้เราตั้งหลักได้แต่แต่ว่าอาทิตย์นี้เข้าใจนะค่ะว่ามันไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะดีแล้วเราเรียนเพื่อให้เห็นในทุกอย่างชั่วคราวของชั่วคราวคุทสุนันต์อาการใกล้ๆกันนะคะก็คือเวลาส่งไม้ก็เห็นใจมันก็ ได้ เ, เร็วขึ้นอะไร่ะคะแต่ก็ความหนักอะไรก็ดีกว่าเก่าเยอะดีละดีละแต่ก่อนจะไม่กล้าพูดเลยนะเดี๋ยวนี้ยังส่งกันบ้านได้แม้คนกลัวหลวงพ่อเยอะนะน่าจะไปรับจ้างถวงนี้ ต, ต้องกลับหลวงพ่อครับว่าต้องต้องขออภัยด้วยเพราะมารอบที่แล้วหลวงพ่อแนะนำสภาวธรรมไปให้ หลายประการนะครับตอนนั้นยังไม่เข้าใจยังหลงยังอยากยังคิดอะไรเยอะแยะรวมไปถึงกลับไปบ้านแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปบน่บนๆในทางที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงหลวงพ่ออยู่ด้วยซ้ำไปแต่พอไปนั่งนั่งคิดคิดดูอีกอีกสักส4มสวันก็เอ๊ะเอ๊ะบวกกับที่ฟังซีดีของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อแนะนาสภาวะบางอย่างให้ผมทาไมเราไม่ ไปลองดูสภาวะนั้นแล้วก็ลองทําดูก็ปรากฏว่า อ, อ่ตามไม่ทันหรอกครับแต่ว่ารู้ว่ามันมีตัวหลงเยอะแยะไปหมดเลยจากเดิมที่ไม่คิดว่าเราหลงอืมจากเดิมที่เราคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรนี่แต่แต่กลับว่าพบว่ามันมีมันมีขึ้นเยอะทีเดียวแต่ว่าทันไม่ทันอีกเรื่องครับไม่ต้องทัน <c oughs> นะฟังให้ดีหนะฟังซีดีหลวงพ่อ ฟังไม่ไม่ต้องทันมันดูไม่ต้องทันให้มันเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้ให้หลงไปก่อนเรารู้ว่าหลงครับไม่ใช่หลงไปรู้ไปนะเป็นไปไม่ได้ครับหลงกับรู้เกิดด้วยกันไม่ได้แล้วก็เพิง่งเพิ่งเข้าใจเมื่อกี้เมื่อเมื่อช่วงเช้าที่หลวงพ่อได้ไ ด, ได้เทศบอกโดยโด ย, โดยทั่วไปแล้วอะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ช่วงเวลาไหนก็าตามที่เราไปจงใจปฏิบัติอย่างเช่นว่าอย่างผมผมเนี้ยสะดวกช่วงกลางคืนก็เออช่วงนี้เราจะปฏิบัติ พอเราปฏิบัติแเอ๊ะทไมมันเฉยเยไม่มีอะไรเลยจะดูอะไรก็ไม่รู้จะดูอะไรมันว่างๆไปหมดมันโล่งๆไปหมดก็คือก็คือเราไปหลงติดกับไอ้ตรงนั้นใช่ดีแล้วเริ่มภาวนาเป็นแล้วจริงๆนะหลวงพ่อบอกอะไรให้นะอย่าไปคิดมากดูไปเลยบอกให้ดูอะไรก็ดูๆไปเถิดแป๊บเดียวก็เป็นแล้วกคิดมากยากนานไม่มีที่อื่นสอนนะ เดี๋ยวพ่อจะไปจดลิขสิทธิ์มีที่นี่ที่เดียวสอนแบบนี้สอนให้ดูสภาวะจริงๆเลยต่อดูตามนะไม่หัวดื้อมากเกินไปดูตามไปแป๊บเดียวก็เข้าใจละพอเข้าใจสภาวะที่สอนให้ดูเป็นตัวอย่างต่อไปก็เข้าใจสภาวะตัวอื่นเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นต่อไปสติจะเกิดถี่ยิบเลยเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยจะกระดุกกระดิกเหลียวซ้ายแลกว่ารู้สึกตัวหมดเลย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 ตัวไหนมีบ่อยๆหัดรู้ตัวนั้นน่ะบ่อยๆเรได้ตัวหนึ่งต่อไปจะเข้าใจตัวอื่นๆด้วยจะเห็นอะไอย่างความใจลอยก好好 overall overall ับความโกรธก็โคลานกันโคละแบบความใจลอยก็มีลักษณะเฉพาะของมันความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะความสุขความทุกข์ก็ม claro. ีลักษณะเฉพาะเราจะเห็นลักษณะเฉพาะของสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างลักษณะเฉพาะของสภาวธรรมแต่ละอย่างนี้มีชื่อภาษาแขกนั่งเรียกว่าวิเศษลักษณะ วิเศษ น, นั่นเองลักษณะพิเศเษเฉพาะตัวภาษาไทยคือพิเศษลักษณะพิเศษเฉพาะตัวโรคก็มีลักษณะของโรคโกรธก็ลักษณะของโอกรธนะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีลักษณะของเขาเนี่ถ้าเมื่อไหร่จิตของเรามีสติไปเห็นลักษณะของสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเห็นตัวสภาวะแต่ละอย่างขึ้นมาสภาวะเหล่านั้นจะไม่มีความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความเป็นตัวตนเกิดจากการที่เราหลงไป เราไม่เห็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษแล้วก็ไม่เห็นสามั ญ, ญลักษณะคือไตรลักษณ์เน้นเบื้องต้นหัดรู้ลักษณะเฉพาะหรือรู้จักสภาวะแต่ละอย่างแต่ย่ากไปเรื่อยๆนะหัดรู้จักสภาวะไปเราไปสติเกิดขึ้นมามันจะเห็นเลยสภาวะแต่ละอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าดูมันจะเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเอง จะรู้เลยว่าสภาวะทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับสภาวะทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งวงเป็นลงเป็นไตรลักษณ์นี่จะได้มรรคผลนิพพานไม่นานหรอกฉั้นตัวสําคัญเนี่ยหัดรู้สภาวะแต่ละตัวแต่ละตั ว, ตตวหัดรู้ไปนะสอนให้ดูอะไรก็ดูไปอย่านั่งเฉียงนะนั่งเฉียงงเฉียงบางคนนะเป็นการเคี้ยวกลางเล็บมาเรียนกรรมฐ า, านน่ากลัวนะหลวงพ่อก็ชักจะไม่ไหวแล้วชักเหนื่อย แต่ก่อนเนี่ยนั่งอธิบายนะโอ้ยคนหนึ่งสอนเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะพวกนักคิดนะเด๋ยนนี้มีเวลาให้คล้ายๆหมอโรงพยาบาลแล้วไปรอตั้งแต่ตีสี่เจอหมอหนึ่งนาทีนะหมอไม่ทันมองหน้าเลยสั่งยาเรียบร้อยแล้วยังกระสั่งเอาไว้ก่อนจะเจอหน้าเรานี่เหมือนกันนะเรียนแต่ละคนีแทบจะคนละนาทียังไม่ทั่วละงั้นอดทนนิดหนึ่งนะค่อยๆฟัง หลวงพ่อพูดเนื้พูดรวมๆหรอกการที่หลวงพ่อถามเป็นคนๆเนี่ยไม่ได้มุ่งสอนคนเดียวหรอกธรรมะจริงๆ่ใช้ด้วยกันได้ยกเว้นเรื่องแท็กติกเรื่องกลวิธีเฉพาะตัวนั้นห้ามเรียนแบบกันส่วนหลักการอันเดียวกันทั้งนั้นอย่าใจรอยทุกคนอย่าใจรอยถ้าใจรอยแล้วรีบรู้ไวๆเห็นใช้ได้ทุกคนนะคำสอนอันนี้รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจ ควาโลภความโกรธความหลงแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีรู้ไปรู้ไปในในสุดก็ถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ได้เป็นพระโสดาบันนั้นจุดหมายแรกนะเป้าหมายแรกดูกายดูใจจนเห็นชัดเลยไม่ใช่ตัวเราน้จะไม่ใช่ตัวเราได้ตอเมื่อรู้สึกตัวมีสติถ้าขาดสติเราจะไปหลงในความคิดเมื่อไหร่หลงในความคิดตัวเราจะเกิดขึ้นเพราะตัวเราเกิดจากความคิด ร, รู้สึกว่ารู้ตัวว่าง่วงอะค่ะท่านง่วงบ่อยมากเลยรู้ตัวว่าอะไรนะง่วงอะค่ะง่วงเวลาฟังธรรมะแล้วง่วงอะค่ะดีดีฟังธรรมะง่วงก็ยีบมันอพอไมค์เข้าใกล้มันตื่นเต้นเดี่ยมันตื่นเองอะอันนี้เรียกว่ารู้ตัวไหมคะท่านไม่เรียกอะ <c oughs> ยังไม่ตื่นนะสังเกตไม่เวลาเราส่งไมค์เนี่ยใจของเราไหลไปด้วยนึกออกไห เอออย่างนี้ถึงจะใช้ได้เรารู้ทันใจของเราไหลไปเรารู้ทันใช้ได้เรียกว่าภาวนาเป็นเนี่ยแอบไปคิดและรู้สึกไหมตอนไปคิดสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าหลงไปขาสติเมื่อไหร่รู้กายรู้ใจเรียกว่าเจริญสติเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมหัดอย่างนี้นะใจไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้เบอร์22 เห็นกิเลสมากขึ้นดีดบางครั้งก็คิดไปสักพักหนึ่งรู้ตัวว่าเริ่บเริ่บไปคิดอีกแล้วเออดีดี ด, ดีคิดไปชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้ว่าคิดก็ยังดีนะ <c oughs> เพราะว่าคนทั้งโลกนะมันคิดทั้งวันโดยที่ไม่เคยรู้ตัวว่าคิดอยู่ถ้าคุณเห็นว่าใจไปคิดคุณภาวนาเป็นละในเบอร์ยีิบเก้าไปคิดละทราบไหม เบอร์ย่ิบก้ามีปัญหาหนึ่งคุณไปตรึงความรู้สึกของตัวเองให้นิ่งต้องเลิกตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะต้องปล่อยให้เขาทำงานอย่างอิสระไม่แทรกแซงเขาปล่อยกายปล่อยใจให้เขาทำงานไปไม่แทรกแซงเขารู้สึกไหมเราแทรกแซงเออเลิกซะเอาทิตีนาถนะเอาหน่อยส่งกันบ้านอยอ่ช่วงหลายวันก่อนที่หนูปล่อยไอ้พบคริสไอ เซรามิกมันออกไปอะค่ะหลวงพ่อมันเหมือนกับสติมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วความเป็นเรามันห่างๆห่างๆไปอะค่ะแล้วพออยู่มาเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยสติที่มันระลึกเองมันอ่อนตัวลงแล้วหนูเห็นว่าพอเราไม่ได้ทําอะไรแล้วเวลาสติมันไม่ระลึกอะค่ะมันเหมือนมันเป็นคนธรรมดาธรรมดามากๆแล้วพอจิตมันไปรู้ปุ๊บมันจะขยับเข้าช่องที่ไปสร้างพบเซรามิกขึ้นมา พอเห็นมันก็เลยหลุดหายไปเลยค่ะหลวงพ่อดีแล้วแล้วพอหนูตื่นมาตอนเช้าอะค่ะขณะที่รู้สึกตัวปุ๊บมันเห็นจิตที่มันฟุ้งกระจายอยู่ข้างบนบนแล้วพอรู้ปุ๊บมันจะมันจะไปรู้แบบออกแรงนิดนึงอะค่ะมันเห็นเข้ามาเลยว่าใจเรามันรู้แบบไม่เป็นกลางมันดิ้นรนบางๆอยู่มันรักเตัวเองมากดีแล้วดีแล้วเห็นอย่างนั้นแหะเห็นเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันนะต่อไปจิตก็ไม่โดนหลอก รู้ไม่ทันนะจิตเข้าปรุงไปเรื่อยแล้วก็หลอกตัวเองไปเร<ด>ื่อยดีอนนี้ฟุ้งซ่านใช่ไครับแล้วก็มีโมหะด้วยครับอืมตอบตูอีกแล้วใด้ได้นะแหมไม่มีรางวัลเตรียมไม่แจกก็ที่ผ่านมาคือเห็นเวลาเห็นความสุขจะเห็นความสุขมันอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็ดับไปความทุกข์ก็เช่นเดียวกัน อ, อแต่ยังไงก็ คือความกระเพื่มกับความสุขกับความทุกข์มันก็สั่นน้อยลงคือแต่บางครั้งก็ยังจมแช่อยู่ในความคิดค่อนข้างนานนะคะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีคําแนะนำยัง ไ, ไม่แนะนําอ่ะ ร, รู้ไปแค่แหละถ้าจมแช่ในความคิดแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจมแช่ในความคิดแล้วเพลิดเพลินสบายใจรู้ว่าเพลิดเพลินไปเลยท่านรู้ตามรู้ลงปัจจุบันไปเลยตามรู้ไปเลยการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกตามรู้ไป ชอบปรุงแต่งอยู่เรื่อยอะค่ะก็คิดเป็นทุกคนแหละทุกคนคิดมากนะไม่ได้คิดมากคนเดียวลองถามดูสิในห้องนี้ใครคิดทั้งวันไหมมีไหมคิดทุกคนนะแต่มันต้องคิดหน้าที่เขาอย่าไปเกลียดเขาแต่ว่าพอเขาคิดแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันนะเขาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาแล้วเราก็หลงพอใจหลงไม่พอใจขึ้นมาพอเราหลงพอใจหลงไม่พอใจใจเราจะมีความทุกข์ซ้ำซ้อนจะทุกข์ขึ้นมาอีก งั้นใจของเรามันจะคิดนึกปรุงแต่งให้เขาคิดไปไม่ห้ามอย่าไปตรึงนะของคุณอย่าไปต่อต้านการคิดอย่าไปต้านมันมันอยากคิดให้มันคิดไปแต่พอมันคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันมันถ้ารู้ไม่ทันมันจะยินดียินร้ายนี่เกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ว่ายินดียินร้ายอีกใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางเองที่ภาวนาอยู่ยังบังคับนิดหน่อยนะดูออกไหมดีใช้ได้ถ้าดูออกเราใช้ได้ อันไหนที่เรารู้ทันแล้วต่อไปก็หลอกเราไม่ได้อันไหนเรารู้ไม่ทันมันก็หลอกเราไปเรื่อยๆนักปฏิบัติเนี่ยสิ่งชั่วๆหลอกยากนะความดีทั้งหลายถนะ้าหากจะหลอกเราติดแงกๆไปไหนไม่รอดนะเช่นจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสงบจิตใจสว่างสวยอะไรเงี้ยเราจะพอใจเราจะไม่เห็นแล้วว่าพอใจติดอยู่อย่างนั้นหลายปีบางคนบางคนติดจนแก้ไม่ออกก็มีนะเคยมีคุณป้าคนใหญ่คนหนึ่งอายุ บเก้าสนะิบ90ติดสมาธิอยู่หกสิบกว่าปีหลวงพ่อต้องปล่อยเลยแก้แกไม่ทันนะแกไปข่มไว้ตั้งหกสิบกว่าปีเนะี่ยพอเลิกข่มนะมันจะฟุ้งสุดขีดเลยเดี๋ยวพลาดล้งไปอาบายได้ไม่ทันตอนนี้ต้องไปพักผ่อนในพรหมโลกสักชั่วคราวก่อนเดี๋ยวผ่านพระพุทธเจ้าอีกสักสิบองค์ก็กลับมาแล้ว <c oughs> เอาใหม่หัดใหม่ สิบองค์ไม่นานนะกับต่อไปมีหลายองค์วันที่มีโมหะโมหะนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีสลับตื่นเต้นตอนจะสง่งการบ้านด้วยดีดีนะครับไม่ทราบที่ปฏิบัติต้องปรับปรุงยังไง<ห>บ้างคให้รู้ลูกเดียวนะรู้ไปดีแล้วแต่รู้บ่อยๆใช่ได้ขอาคุณผู้หญิงก็ดีนะแต่ว่าติดบั ง, บงคับตัวเองนิดนึงเข้าใจไหมตรงนี้ เข้าใกล้ไม่ก็ตื่นเต้นนะคะนี่หลงพ่อตื่นเต้นมากเลยใกล้ก็ไม่แน่ใจที่ปฏิบัติอยู่ถูกหรือเปล่าะค่ะดีแล้วละ่ะว่าสติมาเป็นระยะระยะนั่นแหละก็เห็นกิเลสเรื่อยๆรู้สึกไหมเราร้ายกว่าที่คิดรู้สึกไหมมีค่ะมีแล้วบางทีก็พยายามจะไปหยุดมันก็ก็รู้สึกบ้างนะคะถ้าพยายามหยุดมันแล้วจะอึดอัดยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นแต่ถ้ารู้มันนะปล่อยมันเราตามดูไปเรื่อยไม่อึดอัดหรอ เวลากิเลสเกิดขึ้นนะเราทําตัวเหมือนเรือนะเรือไม่ต้านน้าแต่ก็เรือไม่ลอยเต้งเตงตามน้ําไปแบบเรือเครื่องเสียรู้สึกตื่นครับตื่ น, นหรือเต้นเพราะว่าห่างใหม่ไปหลายเดือนมากแต่ว่ามาคราวนี้กล้าพูดมากขึ้นครับอืรู้สึกปล่อยตัวเองเป็นธรรมชาติมากขึ้นอือยังบังคับนิดหน่อยดูออกไหมครับผมเออใช้ได้เดี๋ยใช้ไม่ได้แล้วตอนส่งใหม่นี่แหละ รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่ามันคิดบ่อยๆอแล้วเห็นกิเลสบ่อยไหมก็บ่อยขึ้นครับยิ่งเยอะยิ่ ง, งดีนะถ้าเราเห็นกิเลสบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเราเห็นเร็วกิเลสยังตัวเล็กอยู่ถ้านานเราจะเห็นนะกิเลสตัวโตแล้วถ้างั้นนะสติเกิดบ่อยๆเห็นกิเลสเยอะแยะเลยสติกับอ่อนกําลังเอกิเลสกับอ่อนกําลังสติมีแรง ไปส่งไปส่งไปไหนก็ได้นะตามใจชอบแล้วแต่เวรแต่กรรมก็ผมเพิ่งเริ่มดูได้ไม่นานนะครับหลวงพ่อแต่ว่าเออก็รู้สึกว่ายังเห็นไม่ชัดแต่ก็เห็นบ้างนะครับแต่ทีเ <interface S 2> ่เห็นบ่อยๆนี้จะเป็นเหม่อไปคิดเนี่ยจะเห็นบ่อยโมดีมากเลยแล้วก็เออถ้าอารมณ์แรงๆนี่ถึงจะเห็นนะฮะก็อย่างโกรธหรืออะไรนี่จะเห็นะแต่ว่าอีกอันนึงที่เห็นบ่อยนี่ตอนขับรถอะครับจะเห็นบ่อย ว่าทตอนขับรถนะครับจะเห็นว่าอย่างบางทีอารมณ์ไม่ดีขับไปก็เออเห็นแล้วเออดีดีนั่นหลฝึกไปงั้นอ่ะในก็จะเห็นได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเร็วขึ้นดีละรู้สึกไหมว่าความทุกข์สั้นลงรู้สึกบ้างยังความทุกข์จะสั้นลงสั้นลงนะจริงๆความทุกข์ในใจเราเกิดจากเราคิดมากพอเรามีสติเราหูุดออก่างโลกของความคิดนะความทุกข์ก็สั้นลงไปด้วยรู้สึกตัวบ่อยๆความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลง ใจที่ลงไปคิดนั่นแหละไปสร้างปัญหาลงไปอยากสร้างปัญหามีอาจารย์พิธธรรมบางคนบอกว่ า, ขาเขาไปค้ น, คนตํารามานนะบอกมีสองตัวการดรําริการที่ใจมันไปคิดตัวหนึ่งตันหายอีกตัวหนึ่งตัวเนี้ตัวสร้างปัญหาตอเนี้ใจคิดและทรบาบไหมอักส่งตอบไปเสร็จแล้วคุณตูเต้นเต้นเหรหลวงพ่อ ที่ ผ, ผ่านมานี่โมหะทั้งวันเลยค่ะหลวงพ่ออแต่ว่าพอเมื่อกี้นี้นะคะขับตอนขับรถมาะะเกิอดอุบัติเหตุนิดหน่อยะคะ่ะรถยางแตกก็เห็นความหุดหงิดอยู่ตลอดเวลาแต่พอเปลี่ยนยางรถเรียบร้อยแล้วก็สบายใจมีวันหนึ่งอ่ะหลวงพ่อรู้สึกว่ารู้สึกเฉยๆทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เห็นความพอใจนะคะพอไปดูแล้วมันก็ไม่หายค่ะหลวงพ่อไม่เพราะเราไม่เป็นกลาง เราอยากให้หายเราอยากให้หายแนละ้วจิตมีโทสะนะฉะนั้นจิตมีโทสะสติไม่เกิดแต่ถ้าเรารู้นะเราเห็นว่าจงใจเรารู้ว่าจงใจเห็นจิตมันจงใจไม่ใช่เราจงใจเรนนี้เดี๋ยวมันก็หายเพราะความจงใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเอาใครมาด้วยล่ะนะั้นอ๋อวันนี้มากันทั้งครอบครั ว, ล, วลูกแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ของคุณพิชาค่ะโอ้ดีนะดีบ้านไหน มีลูกมีหลานภาวนามีบุญนะเพราะลูกหลานไม่เกเรบางคนกลุ้มใจลูกชอบเข้าวัดมีคนมาบ่นกับหลวงพ่อนะลูกชอบเข้าวัดบอกก็ดีกว่าลูกชอบเข้าบาร์ เ, าเห็นจริงนะเลยสบายใจมีคนนะบ่นตอนนั้นเสียอาอยู่ที่สวนโพโอ้ลูกชายผมนะผมปวดกระบานกันมันมากเลยผู้หญิงโทรมาหาทั้งวันเลยบอกดีแล้วดีกว่าผู้ชายโทรมาเออแกบอกเออแกโล่งใจเลย ถูกต้องแล้วจริงๆนะชีวิตนะถ้าอยู่กับมันมองโลกอย่างขำๆบ้างนะไม่เครียดถ้าหัวเราะเมื่อไหร่นะร่างกายจะสั่งหลั่งสารเอนโดฟินออกมาทำให้ผ่อนคลายแล้วก็สุขภาพดีภาวนาสารนี้เกิดทั้งวันเลยนะเราภาวนาเราจะมีสารเอนโดฟินหลั่งออกมาเรื่อยๆจะมีความสุขครับช่วงนี้ ว่า จ, จิตก็เป็นกลางขึ้นมาเดิมนะครับแล้วก็เห็นความทุกข์น้อยลงแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่ผจญอยู่ก็คือเรื่องของเวทนานะครับกําลังสู้กับเวทนาอยู่ก็ก็ได้ผลประเดิมนะครับเรที่สังเกตวันหนึ่งมีประตูโดนมือก็เจ็บไปแล้ฮะนึกถึงหลวงพ่อครับหายเจ็บเลยนะครับหายได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะยกจิตออกมา จากที่มันเจ็บนะฮะะทําได้หลายแบบนะความจริงการที่เรามีสติขึ้นมาจิตตั้งมัน่นมีสมาธิขึ้นมาปั๊บเนี่ยร่างกายก็หลั่งสารนินิโอฟิโนกืนปวดน้อยลงเจ็บน้อยลงสังเกตไหมเวลาเราเจ็บมากมนะพอเรารู้สึกตัวปั๊บนะความเจ็บจะลดลงเลย <c oughs> ก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ได้ปาฏิหารนะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องรีบพูดอย่างนี้เดี๋ยวใครอัดเทปไปแล้วนึกว่าคิดถวงหลวงพ่อแล้วแก้ปวดได้ <c oughs> ถ้าหลวงพ่อโดนประตูหนีบหลวงพ่อก็เจ็บเหมือนกันแหละ <c oughs> คิดถึงคำสอนนะครับแล้วก็เลยเอาจิตไปดูตรงที่เจ็บว่ากายกับตัวตัวเจ็บของเรามันคนละตัวกันคนละตัวกันนะครับก <c oughs> ็ลดลงไปเวลาเวทนาเกิดเนี่ยถ้ารู้หลักนะ่าง่ายหน่อยถ้าใจเราปฏิเสธเวทนาเมื่อไหร่นะมันจะยิ่งเจ็บมากขึ้นถ้าใจเรามีมันร่างกายมันเจ็บขึ้นมานะใจเรายอมรับสภาพนะมันจะเจ็บน้อยลง เข้าใจเราจะไม่เติมความเจ็บลงไปไม่ไปขยายความเจ็บให้มากขึ้นเั้นเวลาเราเจ็บป่วยนะรู้สึกไว้รู้สึกไว้ทําใจดีๆสบายๆดูไปจะเจ็บน้อยหน่อย ท, <ำ>ทําตีก็เห็นความเจ็บขาดเป็นช่วงๆดูออกไหมความเจ็บขาดเป็นช่วงๆไม่ได้เจ็บตลอดคงที่<ม>เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหายไปแวบหนึ่งเดี๋ยวเจ็บขึ้นมาใหม่ความเจ็บเองก็เกิดดับเกิดดับ ครับคงจะช่วยตอนก่อนตายนะฮะว่าคงจะเจ็บน้อยลงก็คิดว่าอย่างนั้นอย่าง ก, กังวล น, น, น, น, นะเวลาจะตายเนี่ยมันจะตัดความรับรู้ทางกายไปก่อนอเสร็จแล้วเหลือการทํางานทางใจแล้วคราวนี้ยใครดูจิตชํานี้ชํานานก็ได้เปรียบแล้วไม่มีกายให้ดูเวลาจะตายจริงๆเนะจิตจะลงรวังเสร็จแล้วก็เคลื่อนขึ้นจัดระวังมันเกิดนิมิตเป็นเรื่องกระบวนการทางใจแล้วไม่ใช่เรื่องกระบวนการทางร่างกาย เกิดนิมิตขึ้นมานิมิตถึงอดีตที่ทําไม่ดีไว้บ้างนิมิตถึงเรื่องราวที่กําลังปรากฏเด่นชัดในปัจจุบันบ้างนิมิตถึงที่ที่จะไปเกิดใหม่บ้างาใจก็ไปจับในนิมิตแต่ถ้าเราภาวนาชนํชนานิชํานาญสติเราไวเวลานิมิตไม่ดีเกิดขึ้นสมมติเห็นต้นงิ้วปุ๊บใจกลัวขึ้นมา ต้นยิ้วสลายใจตื่นเบิกบานเห็นสวรรค์แทนพอขึ้นสวรรค์ไปสักพักหนึ่งใจก็วกเข้าหาต้นนิ้วใหม่นะคราวนี้พอขึ้นสวรรค์แล้วมักจะเผลอเผลนคราวนี้ก็ไปรับจีหลังค่ะคือมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราคล้ายๆกับว่าเราตั้งใจมากเี้ยบางทีมันจะมีสติกว่า แต่พอหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ประมาณว่าอย่าไปอย่าไปบังคับตัวเองหรือว่าอย่าไปเรียกว่าตั้งใจมากเลยจะรู้สึกว่ามันฟุ้งมากเลยค่ะอะฟุ้งนั่นแหละดีจะได้เห็นว่าใจมันไม่เที่ยงมันเหมือนกับว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นเลยค่ะไม่ตั้งมั่นก็ไม่เป็นไรรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะแต่ถ้าเราทําสมถะอยู่เนี่ยจิตตั้งได้ทั้งวันนิ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันไม่เกิดปัญญานะมันต้องเสี่ยงเอา การมันคล้ายๆเราทำสงครามเงี้ยเราไม่กล้าลบกับใครไม่กล้าลบกับค่าศึกเราอยู่ในป้อมของเราอย่างเดียวเลยนะมันก็ยากจะชนะนะก็ไม่ปลอดไม่มันปลอดภัยจริงอะ่ะไม่อันตรายแต่มันเอาชนะไม่ได้ดงั้นต้องออกไปต่อสู้ปล่อยให้ใจนี่ออกไปทํางานบ้างให้มันฟุ้งซ่านแล้วมีสติตามดูไปมันฟุ้งไปอย่างนี้เดี๋ยวเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศล ค, ค, คอยรู้เอาแล้วก็ถ้ามันฟุ้งมากสู้ไม่ไหวแล้วค่อยหนีเข้าป้อม ไม่ใช่นอนอยู่ในป้อมตลอดวันนะงนั้นถ้าคนติดสมถะคือควรนอนอยู่ในป้อมตลอดวันเลยให้ค่าศึกล้อมไว้เฉยๆหรือถ้าใจถึงๆนะออกไปสู้บ้างวันไหนสู้ไม่ไหวก็หนีกลับเข้า ม, มาหมายถึงว่าออกไปเจริญสติช่วงไหนฟุ้งซ่านมากสู้ไม่ไหวก็ทําสมถะอ่ะเชิญเชิญไปถึงไหนละค่ะหลวงพ่อวันก่อนได้ฟังหลวงพ่อที่สาลาลุงชินครั้งแรกนะคะแล้วก็ซื้อ เอาีดีกลับไปฟังที่บ้านแล้วก็ก่อนนอนก็จะฟังตลอดรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกนอนนอนหลับสบายอะคะ่ะเพราะก่อนหน้านี้รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็รู้สึกฝันร้ายตลอดอแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนกลับไปหาดใหญ่ก็คือเป็นคนต่างจังหวัดนะคะแล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์กับน้องนะคะแล้วก็รู้สึกสบายใจก็นั่งคุยไปเรื่อยๆอยู่ดีก็มีโจ้นะคะมาฉกกระเป๋าไปเลย พอโฉบไปก็รู้สึกงงแล้วก็ตั้งสติได้ภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วก็ตะโกนให้คนช่วยเหลือพอหลังจากนั้นก็มารู้คือช่วยเหลือแล้วก็พยายามขับรถวิ่งตามอะค่ะแล้วก็พอเรารู้รู้อีกทีก็คือเราไปชนรถอีกคันหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรเพราะว่ารู้สึกเป็นการสะดกเขคอมากกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยรู้สึก เสียดายมันเป็นสิ่งของของเราแต่รู้สึกว่าดีที่เขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเราดีแล้วนะรู้สึกแล้วอีกครั้งหนึ่ง<อ>ก็พออีกวันหนึ่งก็จับได้แล้วก็ไปเจอกันที่โรงพักอะค่ะเขาก็แบบมาชี้หน้าด่าดทอเราคือญาติๆเขาญาติที่ฝ่ายคนที่ทําผิดอะคะ่ะมายืนด่าดเราต่อหน้าตํารวจเยอะแยะคือสามคนมายืนตออว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้รู้สึกโกรธเลยไม่โกรธเลยค่ะวันนั้นรู้สึกยังยิ้ม สดใสไม่ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่าทําไมเขาว่าว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกบาปเลยแต่เรารู้สึกกลับมาบ้านแล้ว ร, รู้สึกโกรธมากเลยออย่างเงี้ยไม่ทราบว่านั่นแหละตั้งดูไป <c oughs> นะดูใจของเราไป <c oughs> มันเดี๋ยวอย่างโง่เด๋ยวอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆถ้าสติเราเร็วๆนะเราคงไม่เอารถไปไล่ชนรถอยู่นี่เนาะ <c oughs> รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านตลอดนะครับควบคุมความคิดไม่ได้ครับพ อ, อรู้สึกตัวขึ้นมาก็งงว่าจะรู้กายดีหรือรู้จิตดีครับการที่ใจมันฟุ้งซ่านนะเราห้ามมันไม่ได้อ น, นันเป็นเรื่องปกติถ้าใจสงสัยว่าจะรู้กายดีหรือรู้จิตดีรั่วกำลังสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเมื่อวานหรือวันสื่นหลวงพ่อจำไม่ได้มีพระมาถาม บอกผมจะเอาจิตไว้ตรงไหนดีเนี่ยฟังอาจารย์พูดมาแล้วชักงงๆว่าจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนหลวงพ่อก็บอกท่านเอาจิตตั้งไว้กับปัจจุบันไม่ใช่ตั้งไว้ที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องหรอกจะตั้งไว้กับปัจจุบันหมายถึงว่าอะไรปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะเราก็รู้ว่านั้นฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราเกิดสงสัยว่าจะรู้กายดีรู้รู้จิตดีรู้ว่าสงสัยขนานั้นได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว รู้ปัจจุบันแล้วเนี่ยใจลอยไปแล้วทราบไหมเบอร์ห0ใจลอยไปเรารู้ว่าใจลอยไปนะเราไม่ว่าเขานะเราแค่ตามรู้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยใจเบลเบลอไปแวบหนึ่งแล้วก็เริ่มจะเริ่มต้นคิดละรู้สึกไหมให้รู้ไปเรื่อยๆใจเบลเบลอไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมสังนะเกตไหมใจเราไม่คงที่สายไปสายมานะให้รู้ไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะสายนะมันจะลงพวังนิดนึงจะเบลเบลอเลื่อนไป แล้วพอชัดขึ้นมามันก็เริ่มใสยมันสายเพื่อว่ามันจะไปเที่ยวหาว่ามันจะไปดูอะไรดีมันจะไปจับอะไรดีใส่ใสาย ส, ายสาย่ยังไม่รู้จะจับอะไรลงรวังปีกเดี๋ยวขึ้นมาก็สายใหม่อีกให้รู้ให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ได้ไปบังคับเขาหรอกยใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมเบอร์ห้าสิบฝึกอย่างนี้นะฝึกอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นไม่ยากหรอกใจใกล้จะตื่นแล้วอะต่อไปครับคือผมเป็นคนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะครับแือผมรู้สึกว่า ฟังทีดีหลวงพ่อแล้วก็มาสังเกตสภาวะแล้วผมรู้สึกว่าสภาวะมันมีความความถี่มากครับบางครั้งเราก็สับสนเหมือนกันหรือบางครั้งก็โดนหลอกว่าตอนนี้เราฟุ้งไปหรือเปล่าหรือว่าเราประจงใจหรือเปล่าหรือว่าบางทีเรา<ก>คิดเหมือนที่หลวงพ่อบอกคุณเบอร์ห้าสิบอ่ะมันดูดูไปแล้วมันสงสัยให้รู้ว่าสงสัยแล้วเวลาที่สภาวะมันเกิดถี่มากๆเรางงไปเลยนะเราอย่าไปดูทีละตัว เราให้ดูภาพรวมให้รู้ว่าอ๋อตอนเนี้ใจกําลังฟุ้งซ่านอยู่ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องไปดูทีละตัวในรายละเอียดนะดูไม่ทันมันเยอะว่าไงผมถือใหม่เป็นครั้งแรกครับมากราบหลวงพ่อครั้งที่สองครั้งแรกนี่รู้สึกจะไปที่กาญจนะบรีวราดชรีก็พาภรรยามาด้วยครับก็ในแนวทางของสติปัฏฐานนี่ก็ ปฏิบัติมาตลอดพยายามเลิกเลกดูแล้วก็เอาสติเข้าไปจับกับความรู้สึกอยู่ก็ดีนะทำไปเรื่อยๆดูวันๆ น, นะดูให้กิเลสเกิดเยอะๆนะเห็นไหมหกิเลสเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ถ้าเราไปเอาสติไปจับอะไรนิ่งๆไว้เนี่ยไม่มีกิเลสขึ้นมาอย่างนั้นไม่ดี <c oughs> ถ้าเราจะจับแรงๆนะจับอารมณ์อย่างแรงๆนะกิเลสจะไม่โผล่ขึ้นมา งั้นเราต้องทําใจสบายๆอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้กิเลสมันโปลุกขึ้นมาเราค่อยรวมจะสบายกว่านี้อีกค่อยๆดูไปนะค่อยดูไ ป, นะอไปเออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับไม่ไม่สามารถรู้ตัวได้ครับมันหม่นตลอดแล้วมีแต่อกุศลเกิดตลอดครับจนสองวันนี้เพิ่งวันเริ่มรู้สึกว่าพอรู้ตัวได้บ้างว่าเผลอเผลอบ่อยครับเออดีนะคือในเวลาที่เราภาวนาจริงๆไม่ใช่ว่าทุกวันจะต้องดีเสมอไปหรอก บางช่วงมันก็เหมือนเสื่อมไปสติไม่ยอมเกิดบางช่วงสติก็เกิดบ่อยเอาแน่นอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนธรรมดาแต่ว่าเวลาที่สติไม่เกิดก็ไม่กลุ้มใจไม่เลิกดูไปเรื่อยดูเท่าที่ดูได้ไม่เกิดก็ไม่เกิดอยากกลุ้มใจถ้ากลุ้มใจแล้วยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนยิ่งไม่เกิดงนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเสื่อมมาแล้วทาใจสบายเสื่อมก็เสื่อมมันเสื่อมได้มันก็ดีได้แหละ หลวงพ่อเช้าคะคือเเมื่อก่อนเนี่ยเหนูจะนั่งสมาธิแล้วก็นอนก็คือพอนอนเนี่ยจะค่อนข้างหลับสบายคือรวดเดียวถึงเช้าเลย mm hmm. แล้วพอช่วงหลังๆเนี่ยมาจรดสติอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคะ่ะก็รู้สึกว่าเ อ, อนอนเนี่ยมันจะไม่หลับลึกเหมือนเมื่อก่อนคือเวลาพอตื่นนอนมามันก็เออจะยังไงดีคะคือ จิตมันก็จะแบบแบบไม่สดชื่นเหมือนเมื่อก่อนนี้อย่างนี้คือถูกหรือเปล่าเจ้าคะ่ะไม่ถูกอะถ้าภาวนาถูกสดชื่นทั้งวันทั้งคืนนะคือเฉพาะตั้งช่วงเช้าคะ่ะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอมีสติเนี่ยก็จะรู้สึกดีรู้พอรู้เลยว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยแล้วพอจิตไปคิดปุ๊บเนี่ยหนักทันทีเลยรู้สึกเลยว่าตัวเองว่าหนักแล้วก็ทุกข์มันมันชัดเจนเลยคะ่ะแล้วก็ พอกลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกก็หาย อ, อ, อย่างนี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แต่พอรู้ว่าคิดรู้ว่าฟุ้งเนี่ยคือก็รู้ตามรู้ทันคือ ก, ก็พยายามตามตามตามดูตา ม, ตา ม, ตา ม, ตามรู้อย่างที่หลวงพ่อพูดนะคะก็ดีแล้วนะทําไปนะบางช่วงเมื่อก่อนเราไม่ได้ภาวนาเรารู้สึกแม้หลับยาวเลยนะรวดเลยมันมันหลับแบบไร้เดียงสา ตื่นขึ้นมานะความจริงตอนที่หลับนะี่ยฟุ้งซ่านไปเยอะแต่ไม่เคยเห็นทีนี้หลับเราหลับเนี่ยเราจะรู้เลยจริงจริงร่างกายหลับยาวแต่จิตนั้นนอนนิดเดียวแป๊บเดียวก็ขึ้นมาทำงานแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้ว่ามันทำงานนีพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีโมหะเยอะมันสติมันไม่ได้เกิดตอนนอนหลับไงแล้วใจมันไปทำงานเข้าช่วงนั้นสติมันไม่อัตโนมัติขึ้นมา โมหะมันเยอะตื่นขึ้นมาก็มัวซัวไม่แจ่มใสอะไรเงี้ยจริงๆแต่ก่อนตื่นมาก็ไม่ได้แจ่มใสจริงหรอกแต่ไม่รู้รูอโอ้หลับยาวนี่ภาวนานะเห็นไหมมีหลายแบบบางคนมาบอกหลวงพ่อว่าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วแม้หลับสบายเลยเมื่อกี้เพิ่งมีคนพูดนะเอนี่ฟังแล้วไม่หลับเลยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหลับสบายก็ถูกนะอ อีกคนหนึ่งบอกฟังแล้วไม่ยอมหลับเลยก็ถูกอีกเหมือนกันอ่ะถูกของใครของมันนะทางใครทางมันแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตเยอะขึ้นแล้ะเมื่อไหรใจเรามีความอยากใจเรายึดถือใจเราดิ้นรนทํางานใจจะมีความทุกข์เมื่อไหรมีสติขึ้นมาใจไม่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปก็ไม่ทุกข์เราจะเห็นมีสองอย่างต่อไปปัญญาเราก็ยังตรงนี้ยังไม่ทันนะเราก็จะชอบที่จะรู้สึกตัว เกลียดที่มันหลงไปใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนี่ต่อไปเราจะเป็นกลางนะจิตหลงไปเราก็เป็นกลางจิตรู้สึกตัวขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาเราก็เป็นกลางเป็นกลางต่อความหลงเป็นกลางต่อความรู้สึกตัวด้วยเสร็จแล้วไม่ยึดทั้งคู่นะสุดท้ายไม่ยึดทั้งคู่เราสบายถ้ายังยึดเอาความรู้สึกตัวยังเกลียดความไม่รู้สึกตัวก็ต้องลบลุกลุกลคานไปก่อน เพราจิตเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนหรอกมันต้องรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างถ้าเมื่อไหร่ปัญญามันแทงตลอดเห็นเลยจิตรู้สึกตัวกับจิตที่เผลอไปก็เท่าเทียมกันไม่ยินดียินร้ายนะเนี่ยสบายวางก็วางทั้งคู่เลยวางทั้งจิตที่รู้สึกตัววางทั้งจิตที่หลงไปอเชิญต่อเชิญตื่นเต้นครับหลวงพ่อเออคานี้หลวงพ่อได้ยินบ่อย แต่ธรรมดานะธรรมดาเราไม่ใช่นักร้องเราเข้าใกล้ใหม่ล้วก็ตืนเต้นเป็นธรรมดาก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับคือว่าเวลารู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนภาคอยู่ในใจอยู่เร็วมากแล้วก็ไปอ่านของอาจารย์สุรวัตรมาครับก็บอกว่ามันเป็นสมุติบัญญัติที่ตามมาแล้ว ถ้า<พ>มันไม่ได้พอพอเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหงุดหงิดนิดหนึ่งครับเออให้รู้ท<า>นนันนะหงุดหงิดเกิดแล้วโทสะเกิดรู้ว่ามีโทสะดีแล้วล่ะที่คุณฝึกอยู่ใช่ได้แล้วใจคุณมันค่อยตื่นแล้วล่ะดีล้วเห็นไหมเผลอตอนส่งไมน้ตอนส่งไม้ไม น, มนี้นะเป็นเวลาที่หลวงพ่อฉกเฉวยเกือบทั้งหมดน่ะจะหลงแต่พอพูดอย่างนี้นะคนต่อไปจะส่งแบบนี้หลงไปอีกแบบหนึ่ง พ่อคะเดี๋ยันพึ่งมาวันนี้ครั้งแรกนะฮะน้องสาวพามาที่ที่กังวลอยู่ตอนนี้ก็จะมีคุณแม่ที่อายุมากแล้ว86นะฮะแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งซึ่งติดการพนันนะนะฮะเขาชอบเล่นหวยสิ่งที่ทำได้ก็คืออย่างน้องเนี่ยก็บอกเขาเขาไม่พอใจก็ก็ปล่อยไปก็คงทำได้แค่นี้ใช่ไหมคะก็ต้องระวังไม่ให้เอาเงินเราไปเล่นหวย มีมีมีทางอื่นอีกไหมฮะทำใจของเรานะ่แก้ที่ใจเราส่วนท่านแรกเลยเวลาที่เราทุกคนเจอปัญหาชีวิตเนี่ยปัญหาชีวิตเป็นเรื่องปกตินะหมดเรื่องหนึ่งก็เจอเรื่องหนึ่งรู้สึกไหมชีวิตเราจะต้องมีปัญหาตลอดเวลาทุกคนอ่ะก็ได้บริหารจิตเออเราคอยดูไปคอยเรียนรู้ไปนะดูใจของเราพอจิตใจของเราเข้มแข็งมั่นคงแล้วเราเอาจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงนี้ไปคิดแก้ปัญหา ต้องไปวิเคราะห์ให้ออกนะว่าปัญหาจริงๆอยู่ที่ไหนค่อยๆแก้ไปแก้ที่ต้นเหตุของมันเดี๋ยววันหลังเปิดคอร์สวิชาวิเคราะห์การแก้ปัญหาอะไรนะ <c oughs> อะไรเป็นสาเหตุหลักสาเหตุรองเนี่ยมีทรัพยากรอะไรนะ ห, หลวงพ่อฮะจริตหกนี่เราแต่ละคนก็จะคือคือหมาย <ไป S 1> ถึงปนๆกันมันไม่ออไม่ค<ล> น, นเดียวกมันต้องมีลักษณะเด่นของแต่ละคนแต่มันก็มีลักษณะเด่น จริตหเอาไว้ทำสมถะนะเป็นเรื่องของการเลือกอารมณ์ทําสมถะราคาจริตพิจารณาสุภะโทสะจริตไปเจริญเมตตาอะไรเงี้ยนี่จริตหกเอาไว้ทําสมถะจริตที่ใช้ทํำมิปรสนานี่จริตสองมีสองตัวตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตไปอ่านเอาเองนะเขียนไว้ให้อ่านลานะค่ะขอบคุณค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะ แล้วก็โดนกิเลสเล่นงานก็มันดีค่ะเออดีมันต้องอย่างนี้นะ<ช>มันดีก็<ช>ต้อ ง, งข้อภาวนาแนละ้วรู้สึกมันมากเลยสนุกใช่ค่ะดีเพียนเพียนตลอดค่ะดีผมยังรู้สึกว่าตัวเองเพ่งมากนี่ไม่ทราบว่าผมรู้ถูกหรือยังรู้ถูกรู้ถูกแต่เผลอไปละตอนนี้ลืมเพ่งคือบางทีเวลาหนูดูติดเนี่ย พอหนูรู้สึกตัวโปุ๊บอ ม, มันจะมีความรู้สึกว่ามันกําลังบังคับไม่ให้ไม่ให้เผงอะคะแล้วลมันจะรู้สึกอึดอัด น, นะอพอรู้สึกอึดอัดแล้วมันก็มันมันก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเรากําลังไปบังคับมันนะอืพอบังคับปุ๊บพอรู้สึกตัวปุ๊บมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเพราะบางทีทําอย่างนี้มันอึดอัดนะคะถูก ถูกที่เห็นตามความเป็นจริงแต่ยังไม่ถูกตรงที่อยากหายอึอดอัดก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆจะอึดอัดไปเรื่อยๆสังเกตไหมตั้งลองวัดใจของเราให้ดีใจเราไม่ได้เป็นกลางจริงใจเราไม่ชอบอึอดอัดใจเราอยากสบายรู้สึกไหมเนะี่ยให้รู้ตัวนี้ให้รู้ตัวนี้เรื่อยๆออรู้ตัวที่มันอยากจะสบายอะไปดูผิดตัวนะ <laughs> มันไม่หาย หลวงพ่อคือตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ได้ได้มากกว่าเดิมอค่ะแต่ไม่ไม่บ่อยอ่ะคะนี่เวลาที่เวลาเราใจลอยเนี่ยแล้วพอเรารู้สึกตัวเราจะรู้สึกว่าเราสบายแล้วตัวเบาๆไม่ไม่ทราบว่าตรงนี้ถูกถูกต้องหรือยังคะถูกถูกแล้วลดหนูตอนนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกสิ <c oughs> นะ <c oughs> เราเห็นกิเลสขึ้นมาพอเรารู้ตัวนะอย่างใจลอยพอเรารู้ว่าใจลอยเพราะมันตื่นขึ้ น, นมา ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราเบาใจเรานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะใช้ได้ดีละลูกพ่อคทะท่านนี้ว่าเวลาเราอยู่ในที่ทํางานเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะมีสติเลยน ะ, ะมีไม่ได้อะนะเวลาทํางานเขาไม่ได้จ้างเราไปปฏิบัติเขาจ้างเราทํางานนะเพราะงั้นเวลาทํางานต้องตั้งใจทํางานมีสติทํางานมีสมาธิทํางานมีปัญญาไปคิดเรื่องงาน แต่หมดเวลางานแล้วอย่าเอางานมาคิดนะหมดเวลางานแล้วมาดูเอาหลวงพ่อเจอบ่อยเลยเวลาทํางานนะั้นบ่นไม่อยากทํางานอยากปฏิบัติพอมาว่างมาอยู่วัดปฏิบัตินะั้นคิดแต่เรื่องงานทิ<ม>้งปัจจุบันเพราะเวลาที่เราบางทีคิดแล้วรู้ว่ามีความทุกข์นะคะบางทกีก็ทราบนะบว่าตัวเองเนี่ยคิดอยู่แต่แต่ก็หยุดไม่ได้นะคะหลวงพ่อหยุดไม่ได้หลยธรรมะบังคับไม่ได้คือคําว่าอนัตตา เราจะเรียนจกนกระทั่งเรายอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้เราเป็นบังคับไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วมันมันก็จะหลงไปเลยนะคะมันคือมันมันไม่หยุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังอยากหยก do, ุดอยู่อยากหยุดอยู่ไม่หยุดดอกความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจยิ่งทํางานมากขึ้นหมดอยากก็หมดการทํางานอ่ะไปส่งต่อไม่เอาก็ไม่เป็นไรนันช่วยส่งส่งไป ยิ่งถึงข้างหลังห้องเร็วยิ่งดีเดี๋ยวหลวงพ่อจะต้องคุยกับพระรู้สึกท่านมาจากสิงบุรีมั้ยใช่ไหมมาจากวัดคุณอินนึกยครับท่านภาวนาดีขึ้นแล้วอาาข้างหลังว่าไปถึงไหนช่วงช่วงนี้ผมเริ่มเห็นไหมคนนี้ไม่ตื่นเต้นกับไมโครโฟนเ็าเป็นนักร้องอเชิญเครับ <laughs> คือช่วงนี้ผมปฏิบัติด้วยกัน ผมเริ่มต้นจ ง, จงใจรู้ไปก่อนครับแล้วก็รู้พักสักพักก็จะเผลอไปสักพักก็จะจะรู้ตัวขึ้นมาก็จะจะเกิดอย่างนี้ได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าว<ะ>ันแต่ถ้า <ày S 2> วัน<ด> ถ, ถ้าวันไหนผมปล่อยไปเลยก็จะเผลอทั้งวันไปเลยครับคือเบื้องต้นตึงไว้นิดหนึง่งนะพอมันหย่อนลงมาแล้วมันพอดีถ้าจะเริ่มต้นให้พอดีพอหย่อนแล้วหย่อนไปเลยหายไปเลยครับมั้นตั้งใจไว้นิดหนึ่งก่อนแล้วก็รู้ว่าตั้งใจมันก็เข้าพอดี เอาหลับเป็นไงหลับแม้ทีมนี้ไม่กลัวไมโครโฟนเห็นไหมทีมนักดนตรีก็เออก็ที่ที่เคยเข้าใจว่าตัวเองราสัญญยได้มันไม่ใช่แล้ว <laughs> พูดพูดใกล้ใกนะลไม่หน่อยหลวงพ่อไม่ได้ยิน ต, ตอนตอนตอนนี้กลับมาเป็นคนธรรมดาแล้วครับหลวงเมื่อก่อนเป็นอะไรนะเมื่อก่อนเป็นพระสดา <laughs> เออเหรอดีดนะีดีมากเลยนะ ดีมากนะหลวงพ่อไม่ต้องปานาติบาตงานหลักชิ้นหนึ่งของหลวงพ่อนะคือฆ่าพระอริยะนะแต่ว่าภาวนาดีขึ้นนะหลับจิต ด, ดีขึ้นเยอะเลยเไปถึงไหนละสวัสดีค่ะหลวงพ่อรบกวนนิดนึงค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยคงปฏิบัติน้อยมากคืออาจจะมีสติเนี่ยบางบางครั้งเท่านั้นนะคะ แล้วก็หลังจากส่วนใหญ่ถ้าเบื่อได้ฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเริ่มเคร่งครัดมากขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยเวลาทำงานรู้สึกว่าเหมือนตัวเองมีสติซึ่งโดยปกติหลวงพ่อ บ, บอกว่าถ้าทำงานเนี่ยไม่ควรจะมีสติใช่ไมไม่ใช่เรื่องอะไร่อ <c oughs> อย่าไรแปลอย่า ง, งานั้นก็คือเวลาถ้าเบื่อแบบ <tying> สมมุติว่าลูกน้องทำงานผิดพลาดอะไรอย่างี้ค่ะตัวเองจะรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลยว่า อืมตายละเราโกรธโกรธแบบมากแล้วก็พ ย, ออยายามจะอย่างนี้ดีดีหรอดีสนะิมันโกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธ่ดีรู้ว่าโกรธแล้วก็พยายามจะบอกว่าอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องให้โอกาสคนแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะต้องสอนด้วยต้องสอนด้วยเออไม่ใช่เออแล้วแต่เวรแต่กรรมนะเจริงนะลูกน้องนะใช้งานมันทํางานต้องสอนงานทําผิดก็ต้องบอกว่าผิดยังไงสอนเขาอสอนหลายทีไม่รู้เรื่องต้องลงโทษ ตอนนี้เนี่ยคือตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ทราบว่าจะลงโทษคนอื่นยังไงแต่ว่าก็พยายามจะโอเคเวลามีปัญหาลองไปเรียนที่นิด้าสินิดานะคะมีคอร์สบริหารอะไรเยอะแยะอื <laughs> ก็น่าจะดีนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะหล <laughs> วงพ่อฮาถ้าหากว่าเออเรารู้ตัวเองว่าบางเออเรากําลังเป็ น, เ, ปนเออมีสภาวะอะไรบ้างเช่นบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ ไม่สบายใจบางครั้งก็อะไรเงี้ยหาลุ้ตัวเองตลอดแต่เมื่อเราเราจะต้องออมีการติดต่อกับคนอื่นด้วยนะตวคนอื่นเขาแสดงอารมณ์หรือสภาวะธรรมมาให้เรารู้เนี่ยค่ะแล้วเราก็รู้ว่าสภาวะธรรมนั้นมันจะเป็นเหตุทําให้เราเกิดอารมณ์นั้นๆเนี่ยค่ะแต่บางทีก็สติไม่ทันก็โดนโดนเอออาจจะเรียกว่าสภาวะธรรมข้างนอกเนี่ยมากระทบแล้วทาให้เราเป็นไปนอย่างนั้นอ่ะอย่างนี้เราถือว่าเป็นการดูอารมณ์ไหมคะดูถูกเออการปฏิบัติที่ถูกหรือยังถูกแล้ว ที่ภาวนาอยู่ดีนะรู้สึกไหมใจเราเบาขึ้นใจเราโปร่งใจเราสว่างขึ้นดีแล้วแต่ก็กไม่รอดไม่เป็นไรยังไม่ต้องรีบแรกแรกก็ต้องล้มลุกคลุคลานไปก่อ น, นแล้วแ้บ้างชนะบ้างเคยเคยครั้งเคยแค่ครั้งเดียวเองค่ะ ว, ว่าตอนตอนหลับไปเนี่ยเหมือนกับไม่ได้นอนเลยค่ะแต่ก็ตื่นขึ้นมาก็สามารถทํางานอยู่ได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันปกติไม่เป็นไร พวกเราห่วงเรื่องกินเรื่องนอนเยอะเลอันนั้นถือว่ามีสติไหมคะหรือว่าคืออย่าไปกังวลนะจริงๆถ้าจะหลับแล้วหลับไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหลับแล้วจิตสติมันเกิดทํางานขึ้นมาเราก็ห้ามมันไม่ได้เราเลือกไม่ได้นี่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องไปกังวลกับมั น, นเป็นไงก็ได้และแล้วถ้าเวลาที่เราทํางานนะคะบางส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกว่า ไม่รู้เลยทั้รอบตัวเราเนี่ยเป็นอะไรแต่เรารู้อยู่ตรงงานอย่างเดียวเนี่ยเป็นการเขาถือว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิไหมคะใช่เป็นสมาธาิอันนี้ก็ก็โอเคก็เป็นส่ว น, นที่ช่วยเราได้ใช่ไหมคะได้ได้นมัส ก, การค่ะค่ะหลวงพ่อปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าสามีเนีหนูหรือ<ะ>หลวงพ่อหนูค่ะเมือ่อกี้บอกหลวงพ่อเนี่ย <laughs> เป็นคนที่ปกติไม่ปฏิบัติ <laughs> แบบว่าไม่ค่อยได้จเจริญสติอะค่ะแต่ว่าแฟนจะคอยบอกตลอดว่าให้มีสตินะแต่ว่าจะสังเกตตัวเองว่าจะมีสติตอนเดียวคือเวลาโกรธเวลาโกรธนี่รู้เพราะเป็นคนโมโหลา้ายไงค่ะก็กจะแบบเหมือนมันจะพุ่งออกไปเลยค่ะ <im it> <im it> พอพุ่งออกไปแลฉันโกรธแล้วนะแต่ว่าฉันจะไม่หยุดหรอกเพราะฉันจะโกรธ ต, ต่อไปก็จะโกรธ ต, ต่อไปแต่ว่า รู้สึก <PC S> ฉันโกรธอยู่นะรู้ตัวนะคะแต่ก็ยังโกรธอยู่ค่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันทําอะไรไม่ได้หรอกมันเคยชินที่จะโกรธแต่ว่าให้รู้เรื่อยๆนะต่อไปความโกรธก็จะเบาลงถ้าถ้าอย่างนี้เราสังเกตตัวเองจากความโกรธได้ไหมคะเริ่มเริ่มปฏิบัติจากความโกรธเพราะเราจะรู้สึกว่าเราสังเกตได้จากตรงนี้ได้ได้ไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยดูจิต2ชนิดจิตขณะนี้โกรธแต่จิตขณะนี้ไม่โกรธดูแค่เนี้ดูสองอย่างพอละ อ๋อค่ะแล้วถ้ารู้สึกว่าโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธแค่นั้นไม่ต้องห้ามใช่ไหมคะเออไม่ต้องห้ามใจนะแต่ห้ามมือห้ามเท้าห้ามปากนะใจไม่ห้ามแต่ห้ามมือห้ามเท้าห้ามปากสองมือสองเท้าหนึ่งปากคือศีลห้ามไว้ค่ะห้าอันพอดีเลยค่ะหลวงพ่อครับผมเองปกตินี่จะเป็นคนค่อนข้างจะใจรอยบ่อยเลยนะ คือทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะฮะแล้วก็เรื่องเพื่อนด้วยแล้วก็อดีตเก่าๆด้วยนะฮะมันจะเข้ามาแวบหนึ่งช่วงเวลาทํางานแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะกลับมาทํางานต่อได้ตรงนี้ไม่ทราบว่าเราจะทไไํอาอาไไนะไรไม่ได้นะทํอาอะไรไม่ได้ตามดูไปเรื่อยๆอแต่ว่าทุกวันลองอซ้อมดูนะก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิอะไรเงี้ย หัดพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปพอใจลอยแวบรู้สึกรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วมาพุทโธใหม่พุทโธพุทโธสบายๆนะพุทโธพุทโธพุทโธใจลอยไปอีกแล้วรู้ว่าใจลอยมันจะทําให้เรารู้ว่าใจลอยเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันจะใจลอยสั้นลงเรื่อยๆต้องซ้อมซ้อมรู้ทันความใจลอยไม่ใช่ซ้อมห้ามใจลอยนะห้ามไม่ได้อาเชิญไปถึงไหนละเชิญ สวัสดีหลวงพ่อค่ะสวัสดี้มาเป็นครั้งท่ <c oughs> สอง <c oughs> เป็นครั้งที่สองนะคะได้มากราบหลวงพ่อครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีและที่นี่เป็นที่ใหม่สวยมากเลยค่ะท่าน เ, าเมื่อมีเวลาว่างก็จะได้ฟังเอาเทปของที่เป็นซีดีที่ได้จากที่นี่ไปนะคะก็จะสบายใจทุกครั้งและทุกวันนี้ก็ปฏิบัติงานได้ด้วยความสุข แล้วก็มีความสงบในใจใช่ได้แล้วนะจิตของโยมมันค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วล่ะรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะเปลี่ยนไปอะค่ะรอบข้งจะบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วตัวเราเองก็รู้สึกดีมีความสุขค่ะนะซีดีหลวงพ่อนะฟังมากๆแล้วดีนะใช่ค่ะยืนยันค่ะหลวงพ่อขอบคุณค่ะดีแล้วยใจมันตื่นขึ้นมาแล้วครับรู้สึกว่าเริ่มมีสันทาในการดูอะครับโอ้ดี แล้วก็ตอนนี้ใช้ซีหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมตอนขับรถครับได้ได้นะเดี๋ยวนี้น่เวลารถติดน่าเงี้ยหูให้ดีน่าอาจจะได้ยินนะรู้สึกหลายคันแล้วเวลาหลวงพ่อบอกว่าเผลอไปแล้วนะอย่างงี้ผมก็สะดุ้งขึ้นมาทุกทีอืมเห็นไหมปฏิหารไหมปฏิหารมีจริงนะคือบอกทีไรก็ก็ใช่ทุกทีครับใช่ทุกทีแต่ความจริงไม่ใช่ปฏิหารอะไรหรอกเพราะว่าธรรมดาของพวกเราใจลอยทั้งวัน หลวงพ่อชี้ว่าใจลอยนะก็ใช่เลยหลวงพ่อเคยทดสอบนะแกล้งชี้เนี่ยใจลอยแล้วนะพยักหน้าทั้งแถวเลยนะมาชี้ใจลอยแล้วพยักหน้าทั้งแถวเลยนะเพราะอะไรเพราะปกติเราใจลอยคุณดีขึ้นแล้วนะจิตของคุณมันตื่นขึ้นมาแล้วค่อยดีขอบคุณครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มันชอบจะตรวจตาจิตที่ว่าตอนนี้เราประคองอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็จะเห็นว่า ไม่ประคองแต่บางทีก็ในจังหวด น, นั้นก็คือการดึงกลับมาดูว่าประคองอให้รู้ทันนะ ใ, ให้รู้ทันเอาวันนี้หมดแล้วเชิญโยมกลับบ้านขอหลวงพ่อคุยกับพระ